พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่9เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าสติจับจิตคณะสัตยาจมมื้อเช้าในหลวงพ่อประเทศ ตอนบ่ายหลวงพอ่อก็ไปเทศที่จดหมายเหตุหลวงปู่พุทธธาตตอนเย็นนี้หลวงพอ่อเดี๋ยวเปิดเปิดเครื่องกระป๋องทานนะี่ซิเป็นยังไงนะเปิดเครื่องกระป๋องทานเอ็มพีที่จะแจกนี่นะแผ่นที่9นะให้ฟังฟังแผ่นที่9หลวงพ่อจะเปิดให้ฟังเสียงดีไหม ถ้าหาว่าเราไม่ได้ฟังก็อาจจะว่าเทศของลูกพ่อเนี่ยที่เทศไว้ในเอ็มที่สเป็นยังไงนะมาให้ฟังดูก่อนที่จะนั่งฟังจะให้ตั้งอกตั้งใจฟังนั่งกัจสมาธิฟังกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เหมือนกับเรานั่งสมาธินั่นะเราไม่ต้องใส่ใจสงใจไปหาเสียงให้ดูใจของตนเองนี่แหละการฟังเทศนะกาวางฟังเทศถ้าฟังเพื่อความจำอีกอย่างหนึ่งนะเราฟังเพื่อความจำเนี่ยพอเทศขึ้นเบื้องต้นเอ๊ทันเทศเรื่องอะไรเนี่ยเราก็พยายามจำจาจาจาจ ำ, จ ำ, จ ำ, จ ำ, จำเอ่อใ น, นทางวางฟังเทศเพื่อความจำ ถ้าฟังเทศฟังเทศเพื่อความรู้นะไม่ต้องจักำกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายจอกดูใจของตนเองเอดูความรู้สึกนึกคิดของแต่ละวัตกรรมพุทโธพุทโธพุทธโทท ธ, โธโเสียงมันจะเข้ามาในหูของเราพอเสียงเข้ามาในหูเราก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ต้องจำ ฟังให้เข้าใจให้รู้เรื่องของสมาธิเป็นยังไงปัญญาปัญญาเป็นยังไงท่านจะปล่อยวางท่านปล่อยวางยังไงที่ท่านจะทางสอนให้ให้ใจรู้ในใจไม่ต้องสง่งไม่ต้องคิดว่าจะจำให้เข้าใจเข้าใจเข้าใจนี่ละอันนี้เป็นว่าฟังเทศเฟังเทศให้เข้าใจถ้าฟังเทศจีนี้ พอออกมาได้จาไม่ได้แต่เข้าใจในเนื้อหาสาระในการฟังนั้นนีน่แหละการที่พระฟังเทศในครั้งพระพุทธเจ้านะไอเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับครั้งพระพุทธเจ้าแต่ว่านี่คือเราเปรียบเทียบให้ฟังหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระในครั้งพุทธการที่ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทำไม่ทนจึงได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล ม, มากทีเดียวมากกว่าการปฏิบัต เสอีกพอนั่งฟังไปพระริเจ้าเอาความจริงออกมาพูดเพราะท่านเป็นต้นาศนาสดาต้นาศาสนาพร้อมกันพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นท่านก็บำเพ็ญมาในอดีตชาติของท่านมาเพียงพอท่านปราถนาอย่างยิ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ละ่ะหรือไปบำเพ็ญกุศลในที่อื่นก็ตามแต่ในใจของเราเราเออท้าหาว่าข้าพเจ้า ไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในชาตินี้ปัจจุบันแชาตินี้ก็ขอให้ได้ไปบําเพ็ญในชาติในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรที่จะตับที่จะมาตรัในอนาคตขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาขอขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในศาสนาของพระของพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรด้วยเทิดอันนี้คื อ, ค, อความปราดรถนาของ สัมภสัตทั้งหลายผู้ไฟในการกุศลผู้ไฟในทางพ้นทุกข์นะคือมีจิตใจใยในทางพ้นทุกข์เพราะนั้นเวลาเออเราก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆลย ส, สูงสู ง, สงต่ำต่ำรุ่มๆุมดอนๆอนบำเพ็ญคุณงามความดีไ ป, ไปเรื่อยๆพอไปถึงศาสนาพระศีอริยเมตไตรพอพระสีอริยเมตไตร ได้ตัดสู้ท่านอายุยืนถึง8 0,000 ืนปีเราก็เกิดในศาสนาของท่านพอพระศรีอริยะเมตรไตรท่านได้แสดงธรรมให้ฟังเราก็เข้าใจเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเคยบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญเรื่องสมาธิปัญญามาแต่ก่อนเก่าแล้วพอเราได้ฟังท่านเราก็เข้าใจก็ได้สําเร็จมั้งเป็นอย่างน้นอยกับพระโสดาพระโสดาเลยใชเออเป็นพื้นฐาน เพราะนั้นถาาว่าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพวกเราจะได้ยินว่าพระองค์นี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะคือก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดรู้นั่นคื อ, อพระกะกุสันโธในพัตตกันี้มีอยู่ห้าองค์กากุชันโธโอนคัมโนโองค์ที่สงองกุกุสันโธองค์ที่หนึ่ง กูกุจันโทโกณคมาโนองค์ที่สองกัตถโปองค์ที่3โคตมโอนคือพระพุทธเจ้าของเราองค์ที่4และจะมีพระอริยเมตโยอีกองค์ที่5ในพัตตกับนี้มีอยู่5พระองค์นี่โดยมากพระที่คนที่เกิดในศาสนาพระพุทธเจ้ากัตถโปท่านบำเพ็ญตั้งสองหมปีอายุของท่านบำเพ็ญ เรื่ศีลสมาธิปัญญาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบำเพ็ญอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แหละฝึกขัดเครื่องภาวน า, าลุ่มลุ่มร้อนร้อ น, นได้บางเสียบางกิตสงบบ้างไม่ไม่สงบบ้างบางคนก็จริงจังบางคนก็ไม่ใฝ่ปฏิบัติจริงจางเท่าไหร่แต่ความมุ่งหมายมุ่งมั่นก็คืออยากจะพ้นทุกข์ตามแนวแถวของพุทธคือพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดเถิดในวัฏสงสารนี่ แต่ขนาดนี้ประเทศไทยของเราพนักว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อาหารการบริโภคกรอย่างพวกเราท่า น, น, นทั้งหลายได้เห็นเป็นประเทศที่น่าอยู่ในโลกประเทศหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราไปเห็นแถบประเทศแถบอื่นตัวดำๆหัวโตๆท้องใหญ่ๆขาเรียบๆแขนเรียบๆเราเห็นใน สื่อต่างๆโอ้ oh, ถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นเเป็นยังไงอันนั้นแปลว่า เ, เกิดขึ้นมาใช้กรรมจริงๆใช้ความหิวโหยจริงๆเราเป็นผู้มีบาปจริงๆจึงไปเกิดในประเทศอย่างนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยมาได้เกิดในพื้นแผน่นดินขนาดนี้ก็เถอะก็ยังมีความทุกข์อยู่นะเออบางทีก็ทุกข์เออบางคนมเีเงินมากเกินไปไม่รู้จะรักษายัางไงอกลัวเขาจะมาแย่งมาชิง บางครงก็จนเกินไปจนไม่มอีอันจูจะอยู่จะกินมันคนของร้อนมันทุกข์ต่างกันนะเออบางคนก็ทุกข์กับคร อ, อ, อบครัวสามีภรรยาเรื่องทรัพย์สมบัติทะเลาะวิวาดมากมายหลายความทุกข์ของมนุษย์ชาตินะแต่พวกเราเกิดมาขนาดนี้ก็เถิดในความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะบางทีก็ทุกข์กับาธาตุกับขันของตัวเองบางเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้เกิดมา ทา้งที่เงินคําทรัพย์สมบัติกระพอเป็นพอไปแต่ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราในที่เนี่ยเป็นทุกขลาภจริงๆเกิดมาพบนิชาตินี้่ขอเกิดมาต่อไปภายภาคหน้าขอให้ข้าพไปยาวพ้นทุกในวัฏสงสารอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกด้วยเถิดในจิต ใ, ในใจของเรานะพวกเราก็ะเด็นคิดอย่างนั้นในเมื่อเราบําเพ็ญไป จากนั้นเราก็ได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยะตามไปพ้นทุกในชาตินี้นะเพราะนั้นตามไม่จริงเอาในชาติเท่นั้นทะารถตา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่ถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังคงเส้นคงวาอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้ทหลายบาเพ็ญไปเถิด น, นะบาเพ็ญไปแต่ละวี่แต่ะวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีอย่างน้อยคืนหนึ่งวันหนึ่ง วันละห้านาทีสิบนาทีวันละชั่วโมงสองชองั่วโมงอย่างนี้นะให้บำเพ็ญไปเรื่อยๆอีกสักวันหนึ่ง เ, เหมือนกับเราเตีกอเขียไปเคี่ยมาปัดไปปัดมานะอพอถึงขาวมาแล้วถึงขาวมาันก็นพัดตกหลุมป๊อก เ, อเราได้สำเร็จมากสำเร็จผลอันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีเรา นั่งภาวานาบางทคือเนี้ยเหมือนกับเออเหมือนกับเออภาวานาจิตใจเหมือนจะสงบเออเหมือนจะเห็นมรรคผลนิพพานใกล้ๆแค่เอือมแต่พอวันทักวันคงทําไมเหมือนเราไม่เหมือนไม่เหมือนภาวานาไม่เคยภาวานาเลยทําไมมันจิตใจของเรามันเป็นยังไงปัญหาความสงบไปไหนมันออกนอกลูกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางจริงๆริงเย อย่างนั้นก็มีนะคะารณ์สัตยาย ญ, ญาติโยมลูกหลานถ้าลบแล้วก็เหมือนกับเราไปทำมาค้าขายพอค้าขายบางครั้งรวยเอารวยเอาเอา๊ะมันจะได้เป็นเศรษฐีแต่เราบ้างทำไมมันรวยได้ขนาดนี้อพอออาเข้าจริงๆบางวันหรือบางเดือนบางอาทิตย์โอ้มันขาดทุนเอาถึง อ, อย่างนั้นมันก็มีอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันเพราะนั้น เราจ ะ, <S <S จะได้รวยทุกครั้งก็ไม่ได้การตั้งภาวนานนะจะให้สงบทุกครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถึงอย่างไรมีความพยายามมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องสงบหรือว่าถึงมรรคถึงผลได้แต่ถึงนั้นอย่าลดละความพยายามนะอย่าลดละความพยายามให้ตั้งใจไว้ในใจไว้อยู่เสมอให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่า Grab. สมัยก่อน เราไม่เคยภาวนาเราไม่เคยบาเพ็ญทางจิตภาวนามา ก, ก่อนแต่บัดนี้เราภาวนามาถึงขนาดนี้แต่จิตใจของเราไม่สงบเอมันจะทํำยังไงเราคงจะหยุด เ, เราจะไม่ภาวนาล้หยุดแล้วไม่เอาล้วแต่ให้เรานึกย้อนหลังดูให้นึกย้อนหลังดูสมัยก่อนสมัยก่อนที่เราไม่เคยภาวนาซะเลยจิตใจของเราเป็นยังไง ใจของเราเป็นยังไงก่อนที่ไม่เคยภาวนาแต่ที้มาภาวนานมาถึงจุดนี้เนี่ยเราบําเพ็ญมาถึงจุดนี้แล้วพวกเราก็น่าจะจํานึกได้ผู้ชายมันดีกว่าแต่ก่อนตัางเยอะแยะแต่มันไม่ได้สมความมุ่งมั่นปารธนามันก็คงจะดีขึ้นมาเรื่อยๆ เ, ออเหมือนกับแต่ก่อนเราไม่มีเงินจะใช้เงินใช้ขาดไม้ขาดมือแต่พอเราทําการทํางานประเภทนี้ขึ้นมาเราก็มีเงินใช้บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับร่ำรวยเป็นเศรษฐีพอประทังชีวิตของเราไม่ให้ตกทุกข์ใดยากเรายังประครับประคองในการเป็นอยู่ของเรานี่แหละอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะครรัาาต์ทายาทโยมจะ่าไปท้อแท้อ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะบางทีมันก็ได้บางทีมันก็เสียแต่ละให้เราถ้าเราจะถ อ, อยยิงให้นึกย้อนหลังไปในอดีต ที่เราไม่เคยภาวนาเมืก่อนไม่เคยเข้ามาวัดเมืก่อนไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก่อนจิตใจของเราเป็นยังไงในข้อนั้นนะแต่เมื่อเราเข้ามาศึกษาแล้วใจของเราเป็นยังไงอย่างน้อยก็ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขรู้อัดรู้ธรรมว่าธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกบอกกล่าว ในเทปในหนังสือต่างกรัมต่างวาระที่เราได้ศึกษานะั้นหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์นะเราศึกษาธรรมะเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างน้อยทำให้จิตใจของเรามีเปลกเออคิดจะคิดอะไรไหมมันจะออกนอกลูก่นอกทางเออมันก็มีเปลกห้ามจิตห้ามใจของตนเองได้แต่หาว่าพวกเราเออได้บาเพ็ญถูกจุดถูกที่นะและกะบุญเก่าของเรามีอีกนะ บุญเก่าของเรานี่ยนะกระสงเสริมประยางนี้นะบําเพ็ญไปเรื่อยๆน่วยความสัจความจริงของพวกเราบําเพ็ญอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพอได้เวลาแล้วอา้าวบาเพ็ญเออเมื่อ ม, ม, ม, ม, มีโอกาสอยู่ในบ้านเอา้านั่งสมาธิาแต่ละวันแต่ละคืนหรือว่านั่งรถไปมีคนขับรถให้คนนั่งเราก็ภาวนาไปเรื่อยอแต่เรานั่งไปอยู่คนเดียวเราก็เอา้า บัเบอกคนดูใจของตัวเองไปด้วยดูสติไปการขับรถกดูให้มีสติในการขับรถระวังระวังระวังระวังระวังระวังการระวังก็เป็นเป็นการฝึกขัดสติเหมือนกันอย่าให้มันเผลอพอเห็นแล้วกันตรงไหนเป็นยังไงตรงไหนเป็นยังไงในการขับรถของเราระวังระวังระวัง มันเป็นการบําเพ็ญทางด้านจิตใจเหมือนกันนะถ้าเราวิ่งอ อ, อกกําลังกายจ็อกกิง้งแล้วพุทโทพุทโทพุทธโทตามก้าวขาเดินของเราเราจะออกกําลังกายประเภทไหนก็าตามก็ให้มีสติอยู่กับตนเองลนะ้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทางด้นนั้นโรคหลาดคณะจตา ย, ยาตโยถ้าเ ร, เรารู้จักการบําเพ็ญทางด้านจิตใจสรุปแล้วก็คือการภาวนานคือไม่ ให้จิตใจมันหลงมันเผลอเลอไปทางอื่นให้มีสติอยู่กับตนเองจะยืนเดินนั่งนอนอริยบทไหนยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดิการเป็นอยู่ของตนเองทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนวเว้นเสียต่หลับถ้าหลับมันก็ปล่อยวางไปแล้ะแต่ยังไม่หลับให้มีสติอยู่กับตนเองนี่แหละเป็นการบำเพ็ญส่งเสริมไปเรื่อยๆ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะเหมือนกับเราตีอลูกกอล์ฟลงหลุมตีปิดตีถูกตีถูกตีผิดตีผิดตีถู ก, ต, ถ ก, ต, ถ ก, ต, ถกตีหลายครั้งต่หลายหนมันก็ชํานาญออีกสักวันหนึ่งมันก็ต้งเกี่ยลงุเกี่ยลูกกอล์ฟลงหลุมป๊อปป๊อปตกเลยนะเนี่ยอ่นีแหละอันนี้ก็คือเราก็จะได้ภาคภูมิใจในตัวของพวกเราในการประพฤติปฏิบัติแต่การหอกเพนนี่มันก็ต้องยากเป็นของธรรมดา ไม่ว่าท่านว่าเราขนาดท่านมีบุญบารมีบุญหนักสักใหญ่ท่านจะได้สาเร็จเป็นพระหันอยู่แล้วท่านบําเพ็ญอดหลับอดนอนด้วยสัจญาอธิษฐานของท่านอดนอนถึงสามเดือนเห็นไหมอย่างพระจักภูบาลในในพระในข้าพพุทธการ่านเป็นเศรษฐีอีกต่างหากออกไปปวดท่านไม่นอนถึงสมเดือน อดนอนมันจะทุกขนาดไหนแต่ขนาดเราอดนอนเพียงวันเดีย ว, วเราก็ยังโอ้โหตุปัตตุปีพอแหลงท่านอดนอนถึงสามเดือนจะไม่นอนจเจ้า อ, าอาริยบทสาท่า น, นยืนเดินนั่งจะไม่ยอมไม่ยอมเอียงกายโดยเด็ดขาดออพอออกบรรษาท่านได้สำเร็จเป็นพระหันต า, าของท่านก็แตกพอดีที่เลชก็แตกออกจากใจพอดีพรรษาก็ออกในวันนั้นพอดี นี่แหละการบำเพ็ญพระในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทกาลไม่ใช้ธรรมดานะคณาจัทายญาติโยมถ้ามาเปรียบเทียบกับเราเนี่ย เ, เราได้ทำขนาดไหน เ, เพียงอดนอนครึ่งคืนหรือพวกก็ยังไม่ไหวแล้วเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะการบำเพ็ญเรื่องจิตโภนานาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าเราบำเพ็ญได้แล้วนะมีคุณค่ามักคุณค่ามหาศาล เราจะภาคภูมิใจกับตัวเองนานเท่านานทีเดียวนะหอ้ปอมเพนเอาตอนนี้ไปเปิดเทพนทียวนะ